สาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคโดมทรงสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้อนหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราเป็นผู้ถือผ้าบังสุขุลเป็นวัดทั้งครองจีวรนเศร้าหมองด้วยเธอเหล่านั้น เลือกเก็บผ้าที่ไม่มีชายจากป่าช้าบ้างจากกองอยากเยื่อบ้างจากร้านตลาดบ้างนำมาทำเป็นผ้าสังฆาติใช้ขม้มีส่วนเราสิบางคราวก็ใช้ขหบดีจีวรเนื้อแน่นเย็บด้วยเส้นได้เหนียวเส้นได้ละเอียดเช่นกับขนน้ำเต้าถ้าสาววกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้ว ก็อาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณะโคดมทรงสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษ ด, ด้วยจีวรตามมีตามได้สาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ถือผ้าบางสุคุลเป็นวัดผู้ทรงจีวรเศร้ามองเลือกเก็บผ้าที่ไม่มีชายจากป่าช้าบ้างจากกองอยากเยื่อบ้างจากร้านตลาดบ้างมาทาเป็นผ้าสังกาติใช้ ก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรา นอกจากสักระเครบแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณะโคดมทรงสันโดดด้วยบิทบาทตามมีตามได้และสงกราวสรรเสริญความสันโดดด้วยบินทบาตตามมีตามได้อันหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราผู้ถือบินทบาตเป็นวัดถือการเที่ยวบินธบาตตามลาดับตรอกเป็นวัดยินดีในวัดคือการรับพระทหารทั้งดีทั้งเลวเธอเหล่านั้น เมื่อเข้าไปถึงโลแวกบ้านแล้วถึงใครจะนิมนต์ด้วยอาสนะก็ไม่ยินดีส่วนเราสิบางครั้งก็ฉันในที่นิมนต์แต่ล้วนเป็นข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่เขานำกากออกแล้วมีแกงและกลับหลายอย่างถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่า พระสมณโคดมทรงสันโดดด้วยบินทบาทตามมีตามได้และทรงกล่าวสรเสริญความสันโดดด้วยบินทบาทตามมีตามได้สาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ถือบินทบาทเป็นวัดถือการเที่ยวบินทบาทตามลำดับตรอกเป็นวัดยินดีในวัดคือการรับพัะตาหารทั้งดีทั้งเลวเมื่อเข้าไปยังละแวก บ, บ้านแล้วถึงใครจะนิมนต์ด้วยอาสนะก็ไม่ยินดี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 พระสมณะโพโดมทรงสันโดดด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดดด้วยเสนาสนะตามมีตามได้อันหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดเธอเหล่านั้นไม่เข้าไปที่มุงตลอดแปดเดือนส่วนเราสิบางครั้งอยู่ในเรือนยอดที่ฉาบทาทั้งข้างในและข้างนอกลมเข้าไม่ได้ มีลิ่มชิดสนิท ด, ดีมีหน้าต่างเปิดปิดได้ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักระเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักระเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณะโคโดมทรงยินดีด้วยเสนาสะนะตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษ ด, ด้วยเสนาสะนะตามมีตามได้สาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัด เธอการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดไม่เข้าไปที่มุงตลอดแเดือนก็คงจะไม่สักระเารบนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักระเขารบนับถือบูชาเรา นอกจากสักระเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณะโคโดมเป็นผู้สงัดและทรงกล่าวสรเสริญความสงัดอันหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราถือการอยู่ป่าเป็นวัดเธอเสนาสนะอันสงัดคือป่าชัดอยู่เธอเหล่านั้นย่อมมาประชุม่้ำกลางสง์เฉพาะเวลาสวดปฏิโมกขุ ก, กึ่งเดือนส่วนเราสิ บางคราวก็มากไปด้วยภิกษุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอ ม, มาตย์ของพระราชาเดรถีสาวกของเดรถีถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สงัดและทรงกล่าวสรรเสริญความสงัด สาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเถือเสนาสนะอันสังกัดเคป่าชัดอยู่ย่อมมาประชุม่้ำกลางสงฆ์เฉพาะเวลาสวดปาติโมกขุกกึ่งเดือนก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้อุทายีสาวกทั้งหลายย่อมไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมห้าประการนี้ ด้วยอาการอย่างนี้ทาเป็นเหตุให้ทำความเคารพประการอื่นๆอุทายีมีทำห้าประการอื่นอีกซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักระเคารพนับถือบูชาเรา นอกจากสักระเครพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ทำห้าประการอะไรบ้างคือในธรรมวินัยนี้หนึ่งสาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในอธิศีนว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยศีลขันธ์อย่างยิ่งการที่สาวกทั้งหลายของเราสรรเสริญเราในอธิศีลว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้มีศีล ประกอบด้วยศิลขันอย่างยิ่งนี้แหลเป็นธรรมประการที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักระเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักระเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่สองสาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในยานทัศนะอันยอดเยี่ยมว่าพระสมณโคโดมเมื่อทรงรู้เองก็ตรัสว่าเรารู้ เมื่อทรงเห็นเองก็ตรัสว่าเราเห็นทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมิใช่ทรงแสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่งทรงแสดงธรรมมีเหตุมิใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีเหตุทรงแสดงธรรมมีปาฏิหารมิใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีปาฏิหารการที่สาวกทั้งหลายของเราสรรเสริญเราในญาณทัศน์อันยอดเยี่ยมว่าพระสมณโคดมเมื่อทรงรู้เองก็ตรัสว่าเรารู้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 ก็ยังอาศัยเราอยู่ 3. ส า, าวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในอธิปัญญาว่าพระสมณะโคโดมทรงมีพระปัญญาทรงประกอบด้วยพระปัญญาขั น, นยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่พระสมณะโคโดมจกไม่ทรงเล็งเห็นถ้อยคำที่ยังไม่มาถึงหรือจากไม่ทรงข่มคำโตเถียงของฝ่ายอื่นที่เกิดขึ้นแล้วให้เป็นการถูกต้องมีเหตุผลดี ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรมีบ้างไหมที่สาวกทั้งหลายของเราเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงพูดสอดขึ้นมาไม่มีพระพุทธเจ้าข้าอุทายีเราไม่หวังการพร่ำสอนจากสาวกทั้งหลายที่แท้สาวกทั้งหลายย่อมหวังการพร่ำสอนจากเราเท่านั้นการที่สาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในอธิปัญญาว่า พระสมณโคโดมทรงมีพระปัญญาทรงประกอบด้วยพระปัญญาขันอันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่พระสมณโคโดมจกไม่ทรงเล็งเห็นถ้อยคําที่ยังไม่มาถึงหรือจกไม่ทรงข่มคําโต้เถียงของฝ่ายอื่นที่เกิดขึ้นแล้วให้เป็นการถูกต้องมีเหตุผลดีนี้แหลเป็นธรรมประการที่สามซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักระเคารพนับถือบูชาเรา นอกจากสักระเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ 4. สาวพวกทั้งหลายของเราผู้ถูกทุกท่วมทับแล้วถูกทุกครอบงำแล้วเพราะทุกใดเธอเหล่านั้นจึงเข้ามาหาเราแล้วถามถึงทุกขอาเยศนั้นเราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงทุกขอาเยศก็ตอบได้เราทาให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีแช่มชื่นด้วยการตอบปัญหา เธอเหล่านั้นเข้ามาหาเราแล้วถามถึงทุกขะสมุทัยอริยสัจละถึงทุกขะนิโรธอริยสัจละถึงถามถึงทุกขะนิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจเราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงทุกขะนิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจก็ตอบได้เราทำให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีแช่มชื่นด้วยการตอบปัญหา การที่สาวกทั้งหลายของเราผู้ถกูกทุกท่วมทับแล้วถูกทุกครอบงำแล้วเพราะทุกใดเธอเหล่านั้นจึงเข้ามาหาเราแล้วถามถึงทุกข Ariasat นั้นเราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงทุกข Ariasat ก็ตอบได้เราทําให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีแช่มชื่นด้วยการตอบปัญหาเธอเหล่านั้นเข้ามาหาเราแล้วถามถึงทุกขสมุทัย Ariasat ทุกขนิโรธอริยสัตว์ถามถึงทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัตว์เราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัตว์แล้วก็ตอบได้เราทำให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีแช่มชื่นด้วยการตอบปัญหานี้แหละเป็นธรรมประการที่สี่ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักระเคารพนับถือบูชาเรา นอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ 5. เราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามย่อมเจริญสติปัฏฐาน4ประการ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 กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เพราะเจริญสติประฐานสีประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภินยาและอภินยาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญสัมมาประธานสีประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง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 อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแกสาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอิธิบาสี่ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิปรธานสังขารสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์ 2. เจริญอิธิบา ท, ที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร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 สาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญยาและอภิญยาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอินรี่หประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ่งเจริญสัททินรี์ที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ 2. เจริญวิริยินรี์ 3. เจริญสติน4ีเจริญสมาธินสีเจริญปัญญินสีที่จะให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เพรา ะ, จะเจริญอินรีห้าประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภินยาและอภินยาบารมีอยู่ อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามจเจริญพละธรรมอันเป็นกาลัง5ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญศรัทธาพละที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ 2. เจริญวิริยะพละ 3. เจริญสติพระ 4. เจริญสมาธิพระ จเจริญปัญญาภละที่จะให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เพรา ะ, จะเจริญภละห้าประการนั้นแหลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญยาและอภิญยาบา ร, รมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามจเจริญโพชงองธรรมแห่งการตรัสรู้เจประการ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรษน้อมไปในโวสักขคะความสละ 2. เจริญธรรมวิจยะสัมโพช ง, งสามเจริญวิริยะสัมโพชงสี 4. เจริญปิติสามโพชงห้ 5. เจริญปสัสสิสามโพชง 6. จเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์จเจเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะความสละเพรา ะ, จะเจริญโพชฌงค์เจ็ประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่ อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามจเจริญอริยมรรคมีองค์8คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. จเจริญสัมมาทิฏฐิ 2. จเจริญสัมมาสังกัปปะ 3. จะเจริญสัมมาวาจา 4. จเจริญสัมมากัมมันตะ 5. จะเจริญสัมมาอาชีวะ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 ทำเครื่องหลุดพ้น8ประการคือ 1. สาวกผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายนี้เป็นวิโมกประการที่หนึ่งสสาวกผู้มีอรูปปัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี้เป็นวิโมกประการที่สองสาสาวกน้อมใจไปว่างามนี้เป็นวิโมกประการที่ส 4. สาวกบรรลุอากาศสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานาตัสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกประการที่ส 5. สาวกล่วงอากาศสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณนัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่นี้เป็นวิโมกประการที่ห 6. สาวกล่วงอาคินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกําหนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่ห 7. สาวกล่วงอาคินจันญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุนเนวสัญญานาสัญญาญาณะฌานอยู่ นี้เป็นวิโมกประการที่7 8. สาวกล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะชาญโดยประการท่องปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่8เพราะเจริญวิโมก8ปประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภินยาและอภินยาบารมีอยู่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 สาวกผู้หนึ่งมีรูปปัสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มดอกผักตบที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มหรือผ้าเมืองพารณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มแม้ฉันใด สาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบเรือกของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่ห 6. ซสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลือง มีสีเหลืองเปรีบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มดอกกัิกาที่เหลืองมีสีเหลืองเปรีบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มหรือผ้าเมืองพาราสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เหลืองมีสีเหลืองเปรีบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มแม้ฉันใดสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลือง เปรียบด้วของเหลืองมีสีเหลืองเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่6 7. สาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้อยของแดงมีสีแดงเข้มดอกชบาที่แดงมีสีแดงเปรียบด้อยของแดงและมีสีแดงเข้ม หรือผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่แดงมีสีแดงเปรียบด่องของแดงมีสีแดงเข้มแม้ฉันใดสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด่องของแดงมีสีแดงเข้มครอบงำมรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น นี้เป็นอภิพายตนะประการที่7 8. สาวกผู้หนึ่งมีรูปประสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกสีขาวมีสีขาวเปรียบเดือกของขาวมีสีขาวเข้มดาวประกายพฤกษ์ที่ขาวมีสีขาวเปรียบเดือกของขาวและมีสีขาวเข้มหรือผ้าเมืองพราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่ขาวมีสีขาวเปรียบเดือกของขาว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 กษนาญาตนะบอกเกิดแห่งธรรมที่มีกษินเป็นอารมณ์สิบประการคือ 1. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดปฐวีกษินกษินคือดินเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณ 2. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดอาโปกสินกษินคือน้ำ สา but, สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดเตโชกสินกสินคือไฟ 4. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดวายโอกสินกสินคือลม 5. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดนีลกสินกสินคือสีเขียว 6. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดปีตะกสินกสินคือสีเหลื má, อง7 สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดโลหิตะกสินกสินคือสีแดง 8. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดโอทาตะกสินกสินคือสีขาว 9. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดอากาสะกสินกสินคือที่ว่างเปล่า 10. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดวิญญาณกสินกสินคือวิญญาณเบื้องบนเบื้องต่ำ เบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณเพราะเจริคกสินายตนะสิบประการ น, นั้นแหลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่ชาญสี่ อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญฌาน4ี่ประการครือพิสษุในธรรมวินัยนี้ 1. งสงัดจากการรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารณ์ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบด้วยปิติและสุขอันเกิดจากวิเวก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 เสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกทราบสราบอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องในกอบัวเขียวอุบลกอบัวหลวงปทุมหรือกอบัวขาวบุญทริกดอกบัวเขียวดอกบัวหลวง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 เพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วเจริญฌานสี่ประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภินยาและอภินยาบา ร, รมีอยู่วิชาแปดประการ 1. วิปาาัสนาญาณอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูต ร, รูปสี่เกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะเข้าสุขและขนมกลุ่มมาศไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจายไปเป็นธรรมดา วิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้แก้วไพลทูนอันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรณัยดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัสดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไพยทูนนั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่าแก้วไพทูนอันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยม ที่เจรไนดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัสดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายแม้ชันใดเราก็ชันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่าง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 จึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภินยาและอภินยาบารมีอยู่ 2. มโนโมยิธิยานอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลาย สาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเนรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเปรียบเหมือนคนชักไส้ออกจากหญ้าปล้องเขาเห็นอย่างนี้ว่านี่คือหญ้าปล้องนี่คือไส้หญ้าปล้องเป็นอย่างหนึ่งไส้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ไส้ถูกชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเองคนชักดาบออกจากฝัก เขาเห็นอย่างนี้ว่านี้คือดาบนี่คือฝักดาบเป็นอย่างหนึ่งฝักก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ดาบถูกชักออกมาจากฝักนั่นเองหรือคนดึงงูออกจากคราบเขาเห็นอย่างนี้ว่านี้คืองูนี้คือคราบงูเป็นอย่างหนึ่งคราบก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่งูถูกดึงออกจากคราบนั่นเองแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมเนรมิตกายอื่นจากกายนี้ได้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วเนรมิตกายนั่นแหลสาวกทั้งหลายของเราเป็นอันมากจึงบรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบรารมีอยู่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 ใช้ฝ่ามือลูบคลาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือช่างหม้อผู้ชำนาญเมื่อนวดดินเหนียวดีแล้วพึงทำภาชนะที่ต้องการให้สำเร็จได้ช่างงาหรือลูกมือช่างงาผู้ชำนาญเมื่อแต่งงาดีแล้วพึงทาเครื่องงาชนิดที่ต้องการให้สาเร็จได้ ช่างทองหรือลูกมือช่างทองผู้ชำนาญเมื่อหลอมทองดีแล้วพึงทําทองรูปประพันธ์ชนิดที่ต้องการให้สําเร็จได้แม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้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 ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วแสดงฤทธนั้นแหลสาวกของเราเป็นอันมากจึงบรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบา ร, รมีอยู่